นักเรียนพนมมืออิมินาสกาเรนะพดทธังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนะ สังคังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาค ว, ว า, ว า, าตวาธมโม พัง ม, มังนมสามีสุปฏิปันโนภะเขาวะโตซาวกะสร้างโคสร้างคังนามิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยจามาทูติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยจามา ตาติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสระเนนสหปัญจศิลานิยาจามาต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลวันนี้หลวงพ่อได้เห็นลูกหลานเด็กนักเรียน โรงเรียนรายชิโนเทศโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อเห็นลูกหลานเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็อุ่นใจปลื้มใจกับลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามีครูบาอาจารย์มีท่านผอ อ, อที่นั่งเป็นประธานและก็ครูบาอาจารย์พร้อมกับลูกศิษย์ลูกหลานทุกคน ในเมื่อพวกเร า, ารับศีลทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีเลี้ยงอาหารนลูกหลานนะแต่คิดว่าลูกหลานคงจะท้องอลองท้องมาพอสมควรลอาหารเที่ยงคงจะเลี้ยงกันที่นี่นะขณะนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกานาทีก็ยังยังยังเวลาอีก ย, ยังเยอะอยู่ยังไม่ถึงเที่ยงนะ เมื่อกี้ลูกหลานได้การาบรรธนาขอสินหลวงพ่อเองจะได้นำลูกหลานนำสมาทานสินก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อจะขอแนะนาหรือบอกกล่าวเรื่องของสินและบอกคุณค่าของสินประโยชน์ของสิน คุณค่าของศีลที่พวกเราจะรับเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดมาทีหลังไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ลาลูกหลานทั้งหลายก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่หลวงตาอย่างวันนี้ละ่ะหลวงปู่หลวงตาแกจะแนะนำลูกหลานให้รับรูร้ทราบ ว, ว่าศีลห้าที่พวกเราสมาทานเนี่ย มีความหมายมีความมีประโยชน์อย่างไรต่อตัวของเราเองหรือว่าเห็นคนอื่นรับมาเราก็รับไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะลูกหลานยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุควิทยาศาสตร์นะลูกหลานทั้งหลายควรจะเรียนรู้เรื่องอนไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ถ้าหาว่ามันมีประโยชน์เราก็ได้รับไปอันไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องทิ้งไป เราต้อง ร, รู้จักเลือกเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเพราะว่าเรื่องศีลนันเป็นภาษาบาลีทั้งหมดตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยลูกหลานอารัธนาศีลก็มาอย่างพันเตวิสุงวิสุงราณนัยะายติสระเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะน่อันนี้ลูกหลานก็ไปรู้ว่าเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาของพุทธศาสนา ลูกหลานก็แปลไม่ได้ในในภาษานี้ถนะ้าว่าหลวงพ่อเองไม่แปลไ ม, ไม่แสดงความคิดเห็นให้หลูกหลานฟังลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะแนะนําบอกกล่าวแปลให้ฟังว่าเมื่อยังปันเตวิสูงวิสูงเข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าเป็นข้อๆเพื่ อ, อรักษาศีลขอสมาทานศีลอันนี้ก็คือ ไม่ย่งวันเตวิสูงวิสูงขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ยังอีกข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นอั น, นเมื่อเราขอนะคือเราไม่มั่นใจส่วนม่ยังวันเตนติสร ะ, ะเนศสหปัญจะนะข้าพรเจ้าขอา ส, าสัตมาจิทานสินรวมทั้งห้าข้อทั้งหมดพร้อมกันอันนั้นคือสินสินรวมกันอย่างนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านโมเพียงน้โมลูกหลานก็ ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเป็นภาษาปาลีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวาไม่ยังพันะโมตัสสะพระเขวาวตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยความแปลและความหมายก็ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือณโมกล่าวถึงสามครั้งทำไมกล่าวถึงณโมเพรเรารับสินที่มันกล่าวถึงณโมด้วย เพราะว่าศีลห้าที่พวกเราจะสมาทานต่อไปน่ยคือศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติศีลศีลธรรมพวกเราคนโบราณเขาบอกว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงสําหรับพวกเราในชีวิตประจําวันของพวกเราถ้าคนใดก็ตามมีศีลมีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้น ถ้าหากว่าขาดศีลขาดธรรมแล้วอยู่ด้วยกันมีแต่หวาดระแวงกันหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะศีลไม่คุ้มครองศีลธรรมไม่คุ้มคองศีลธรรมถ้าจะเปรียบเทียบอยู่ส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายนะกฎหมายโบราณ น, นะแต่ว่ากฎหมายโบราณคับมันลึกซึ้งกว่ากฎหมายในปัจจุบันเพราะนั้นให้ลูกหลานศึกษาต่อไปนะเรื่องศีลธรรมนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำวันทโมสามจบจากนั้นก็พุทธังทำมัง ส, งงสังขังสรณะขจฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเออจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาคือว่าทำมมังสรณะขจฉามิคือพระธรรมคําสอนคือศินห้าเนี่ยคือพระธรรมคําสอนสังขัง สรนางข้าฉาม่ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คือภาษาวก e ของพระพุทธเจ้าที่ได้นำพรทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยิงได้ได้ยิ น, ไ ด, ไ, ดยนได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือพระสงฆ์แล้วก็ดูตียามปิพุทธทางธรรมังสังขังสรนางข้าฉาม่ข้าพระเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สอง และกษัติย์ามปีพุทธังทมบางสังขังสระนังคัชามิข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สามว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยทำไมเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วก็ตตประกาศพระธรรมพระธรรมคําสอนออกมาในเมื่ <Kinder> <ot> อประกาศพระธรรมคําสอนออกมา พระสงฆ์ได้ฟังเออใช่เออเมื่อนําไปประพฤติธปฏิบัติแล้วจะต้องได้รับความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันจะนั้นพระสงฆ์รับประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวพ่อมาบอกกล่าวทุกรุ่นทุกยุกทุกยกุกสมัยปู่ย่าตายายของพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ยอมรับว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อนํามาประพฤติธปฏิบัติแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน อันนี้เนี่ยคือพระธรรมคําสอนจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศออกมาเปิออกมาเป็นข้อๆเท่นี่คือว่าศีลห้านั้นมีอะไรบ้างเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นผู้พานำแพูดอะไรเปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจ ในเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์สโลกทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันเนอะถ้าฆ่ากันมันทําให้ทกใจคนที่ถูกฆ่าเนี่ยทกใจไอ้คนที่ฆ่าก็ไม่ว่าและฉะใจแต่พอเขามาฆ่ากลับคืนเท่านั้นเราก็ทกใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นอย่าคิดฆ่ากันให้มีเมตตาต่อกัน ซึ่งกันและกันนะจะดีกว่าดีกว่าคิดค่ากันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดค่ากันข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าคิดขโมยกันเนอะถ้าไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าขโมยมาขโมยเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เ, เราไปขโมยของเขาเนี่ยมาเรียกค่าไถยอย่างนี้มาพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ของเขานะ่ยจับมาเรียกค่าไทยเนี่ย เ, เขาจับพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยอย่างเนี้ยนั่นเป็นยังไงแล้วเขามาขโมยลดลดขโมยสิ่งของของเราอย่างเนี้ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็เสียความรู้สึกเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงมั่นยัดสินข้อที่สองอยา่าขโมยกันข้อที่สมกาเมสุภิ ษ, ษาจาราเว ร, รมเน สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขารักสงวนห่วงแหนถ้าเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เสียใจเช่เนเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอะอันนี้สินข้อที่สข้อที่4ี่มุษาวาทาวรามณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเรานะ่ะเราก็เสียใจยถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจย เอออย่างเราไปไม่มีเงินในธนาคารเนี่ยเราก็เขียนเช็คให้เขาเช็คเด้งให้เขาเขาได้เช็คเด้งของเรานะเขาเสียใจไหมถ้าเราได้เช็คเด้งะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นโกหกเราอันนี้เนี่ยมันมีมากหลายอย่างแล้วเกินทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทํากับเราเราก็เสียใจเนีนเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจตั้งแต่ข้อที่หนึ่ง เราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องเขาเขาก็เสียใจเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเราไปประพฤติไม่ถูกต้องต่อสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเราไปโกหกเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาทำกับเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งเขาทั้งเราเมื่อเขาเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเมื่อเราไปทาให้กับเขาก็เสียเขาก็เสียใจ ปพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลนั้นลูกหลานนะอยู่ในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายคือเราไปทําให้กับเขาเขาเสียใจเรามาทํากับเราเราเสียใจเพราะนั้นอย่าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกั น, นอย่าไปขโมยเขาอย่าไปฆ่าคิดฆ่าคนอื่นเขาอย่าไปขโมยเขาให้เคารพสิทธิ์สามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาอย่าไปโกหกเขาอันนี้คือศินข้อที่หนี่เป็นสินข้อพิเศษสักหน่อยนะ ข้อสุราเนี่ยสุราเมรยาบรรย์บัตชาประมาเนี่ยการดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอินคือเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติคนที่ขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเลยพอมันขาดสติเมื่อเสพยาบ้ายา마าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นน่ะหรือว่าดื่มสุราเข้าไปจนเมาเอพอเมาแล้วขาดสติพอทําขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่าง ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นใครก็ได้โกหกใครก็ได้ไเพให้หลไรเพราะว่าขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วคราวอย่างลักษณะอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นเราก็รู้แก่ใจว่าเมื่อเราเสพประดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติเราทําให้ไปทําพอทําเข้าไปแล้วนะพอมันทําไปแล้วนะพอหายเมาแล้วนะเสียความรู้สึกแล้วไนงะ หมดเลยท่านนี่จะทำยังไงได้มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันเกินไปเสีแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกจริงๆทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท่าทุกคนมีสินห้านะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำํำสมาทานสินะลูกหลานนะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิเลนะนิพุติันญติตัตมาสิลังวิโสทายพรหมมาจะโรกาทิปติสหัมปติกัอันชาลีอัน ที่วารังอาญาจะทาสันติทาสัตตาปปราราชคชาติกาเทเสตุธมัมมะ อันนี้คืออาราธนาธรรมนะอาราธนาธรรมความเป็นมาของอาราธนาธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนะที่ประเทศอินเดียเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็ได้สเสวยวิมุตติสุข หลายหลายแห่งในบริเวณต้นโพที่ต้นโพเจ็ดวันที่ต้นนิโครธคือต้นทรายเวันที่ต้นเกต7วันที่สะบุตริน7วันหลายหลายแห่งในบริเวณนั้นพอสวยพุท ธ, ธ, ธ, ธิสุขแห่งได้7วัน7วัน7วันเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็คิดโอ้ทำของเราที่ดียเราได้ตัดรู้นี่ เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเราจะไปสอนให้ใครฟังเขาจะฟังหรือนี่ถ้าเราสอนก็นไม่จะไมเหนื่อยเปล่าเลยเพราะว่าธรรมที่เราได้เนี่ยเป็นธรรมที่ทวนกระแสะโลกมันไม่ไปตามกระแสะของโลกทางโลกเขาว่าความรักความชอบยางนี่แต่ธรรมที่เราได้เนี่บอกว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นอสุภะปฏิกูล เป็นของไม่เสร็จสวยงดงามแต่โลกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายสังขารเป็นของเสร็จสวยงดงามทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นของข้าแต่ทำที่เราที่ทําได้แล้วนะเพราะว่าถาขนาดร่างกายสังขารขนาดร่างกายตัวเองอยังไม่ใช่ตัวเองยังไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราหยบบอกบอกว่าถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะ มันก็ต้องบอกฝังเพราะเป็นของเราแต่นี่มันบอกไม่ได้อย่าแก่เนีมันก็แก่ย่าเจ็บมันก็เจ็บย่าตายมันก็ตายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตวนของเราหรือเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และจะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตวนของเรานี่แหละเราที่ธรรมะที่เราได้ที่เราได้รู้ต่จสรู้ในวันเดือนหกเพจนี่นะ่ย แล้วเราจะไปสอนให้ใครฟังเนอมันจะมันจะไม่เปล่าประโยชน์หรือจะไม่เหนื่อยเปล่าหรือ ท, ร ท, ที่เราทิดที่เราทําให้ที่เราได้มาเนี่เราคงจะไม่สอนใครจะดีกว่ามาั่งเพราะสอนไปแล้วอาจจะไม่เกิดประโยชน์เขาคงจะไม่ฟังคอันนี้ก็คือพระ อ, องค์ทอประไทยนะท้อพระไทยที่จะประกาศพระสิษธรรมประกาศธรรมคาสอนยังมีพรมพรมพรมอยู่ บนชั้นพรมรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนขวายน้อยเสียแล้วไม่อยากจะสอนโลกแล้วอยากจะหยุดแหละไม่สอนใครละเพราะว่าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสะโลกโลกของไม่รับไนอะ้พรมก็ได้ลงมาการาบละธนาพระพุทธเจ้าว่วาพรมมาจะโลก่าเนี่ยนะเออพระพุทธเจ้าข้าผู้มีกิเลสน้อยในโลกนี้ยังมีอยู่ ขอพระขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมด้วยเถิดผู้ที่มีผู้ที่สังสมบัรมีมาแล้วในอดีตการมีอยู่ขอพระองค์จงโปรดเมตตาแสดงธรรมให้กับผู้มีบุญมี บ, บุญบรรัลลังมีที่มีอยู่แล้วนั่นเทิดแต่คนที่ไม่มีคนที่ยังมีปัญญากิเลสหนาะปัญญายาบอยู่ ก็คงจะไม่เห็นสัจจธรรมสัจธรรมแต่ผู้มีบุญบารมีเก่าแก่ที่ได้สังสมมาแล้วนั้นก็จะรู้เห็นพระพุทธองค์ออเออใช่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ได้สังสมบารมีมา เ, เราก็ได้จึงได้บรรลุได้ตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคนอื่นก็คงจะมีอย่างเรานี่จากนั้นท่านก็มองไปก็เห็น ดาบ ท, ทั้งสองที่ท่านได้ไปศึกษาด้วยดาบดาดาบทุตกะดาบท2หรือสีแต่ท่านก็ตายไปบัดหมางใหม่ๆจากนั้นท่านจึงได้มองไปหาปัญจวัคคีทั้ง5โกนธัญญวะว่าปะพัฏิยะมหานามอัจฉ ช, ชินี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาที่ลูกหลานได้กล่าวว่าพมมาจโลกาเนี่ยความหมายนะ ค, คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีความหมายเกือบทุก อย่างอธิบายได้ทุกอย่างนะและก็วันนี้เป็นวันที่10กกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครูบาอาจารย์มีท่านพ อ, อเป็นประธานโรงเรียนรายชินโนเทศและก็ครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ทราบที่ได้รายงานหลวงพ่อมาว่านักเรียนจะประมาณ600นะขาดก็คงจะไม่ขาดมากเกินก็คงจะไม่เกินมาก และก็ครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้นำพานักเรียนมาออกจัดนอกสถานที่เพื่อทัศนศึกษาก็ได้มาที่วัดหลวงพ่อในวันนี้นะแล้วหลวงพ่อเห็นลูกหลานทั้งหลายแล้วก็ปลื้มใจว่าลูกหลานเหล่านี้ละจะเป็นทายาทของหลวงพ่อเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่หลวงพ่อเนี่ยอายุมากแล้วลูกหลานเหลนทั้งหลายนะหลวงตาเนี่ยอายุเก้าเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเอจะอยู่ไปกับลูกหลานเป็นนานสักเท่าไหร่อันนี้ก็แปลว่าหลวงตานี่ยแก่กว่าครูบาอาจารย์พราะครูบาอาจารย์อายุหกสิท่านเกษียณนะแต่หลวงตาเนี่ยแก่กว่าครูบาอาจา ร, าจาราย์ยรนะอยาารของพวกเราเนี่ยผู้สูงสุดกันยังแก่กว่าตั้งสิปีนะเพราะฉะนั้น หลวงตาเห็นลูกเห็นหลานทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาศาสนาลูกตาจึงข อ, อมอบอให้ลูกหลานทั้งหลายนะ่ยที่มาทั้งหมดในวันนี้นะอยไปถือเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าหลวงหลวงหลวงหลวงปู่ให้เป็นหลวงปู่ของลูกหลานกันแล้วกันนะหลวงปู่อินลูกหลานทุกคนนะและเมื่อลูกหลานเป็นเป็นหลานของหลวงปู่อินแล้วนะลูกหลานต้องเป็นคนดีนะทีนี้นะ เพราะหลวงปู่อินเนี่ยมีแต่ทำสิ่งไหนทำํำมีแต่คิดดีทดําดีพูดดีมาตลอดนะตั้งแต่หลวงปู่อินบวชเป็นสมณเณรอายุสิ 11, อย่างสิบสอปีเป็นสมณเณรอยู่8ปีแล้วก็เป็นพระเนี่ก็ห้ิปีแล้วลูกหลานเพราะฉะนั้นลูกหลวงปู่อินนี่ยทำดีมาโดยสม่ําเสมอหลวงปู่อินอได้สร้างโรงเรียนให้กับ นักเรียนเป็นหลายโรงทีเลียวอย่างนาคับน้อยนี่ก็อนุบาลด้วยนะแล้วก็ประชาบาลด้วยาจากน้าโสมก็โรงเรียนน้ำโสมด้วยเชียงคานด้วยเอราวันด้วยแถบแถบนี่เกือบทั้งหมดอสร้างโรงเรียนจากนั้นก็โรงพยาบาลอีกต่างหากนี่แหละหลว ง, งปู่ของพวกลูกหลานเนะียไม่ได้มองข้ามสาธารณประโยชน์นะทั้งนู่น ทั้งโรงพยาบาลศรีนครินหลวงปู่ก็ได้ไปสร้างให้ตึกสงอาพาดใหนะ้แต่โรงพยาบาลอุดรก็เหมือนกันที่พักญาติของคนไขนะ้ที่ตึกหนีไฟนะลูกหลานกน็ถ้ามีโอกาสก็ดูไปดูกันนะ่ะหลวงปู่อินเหมือนกันเห็นแก่ลูกแก่หลานว่าการเข้าไปเยี่ยมคนป่วยคนไข่ในระับความลําบากหลวงปู่ก็ได้ไปสร้างให้ เพราะนั้นลูกหลานทุกคนที่มาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยขอร้องให้ลูกหลานทุกคนนะลูกสาวหลานสาวของหลวงปู่ทุกคนนะเป็นคนดีให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีนะเออคิดเกิดจะไปคิดทะเลาะกับหมู่กับเพื่อนนะอย่าไปคิดอิจฉาพยาบาทกันให้เคารพครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยมีแต่ให้ความรู้กับพวกเรา เพรนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นครูบาอาจารย์เอออันนี้คือครูครูของพวกเราเราเห็นก่อนยกมือไหว้เออถ้ามีอะไรก็เข้าไปเข้าไปถามเข้าไปปรึกษาเออคุณครูครับไอ้คุณครูข่าออหนูไม่เข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เออเออครูอธิบายให้ฟังเราผมเอากระดาษไปจดจดจ ด, จด เ, ออเขียนเขียนเอาไว้อันนี้ก็คือเมื่อเขา้าเมื่อเราไปเข้าใจ ในข้อเขียน น, นั้นนนั้ฮเ อ, อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานะ่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในเวลาเรานั่งคุยกันหรือเรานั่งทานอาหารหรือเรานั่งอยู่ที่ไหนในกลุ่มของพวกเราเนะี่ยเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาให้ลุกขึ้นยืนรับอ่าทำไมให้เฉยนะเออไม่ใช่เห็หันหลังเฉยเหมือนกับควรไปรู้จักกันไม่ใช่ ไม่ใช่ลุกสิทธ์นะนะให้ลุกขึ้นยืนรับเออ ใ, ให้แสดงขึ้นลุกขึ้นมาก็ยืนรับแล้วก็แสดงความเคารพในครูนะให้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากอุปถากให้เขาว่าอาจารย์จะนั่งที่ไหนมีน้ำหรือไมอ่มีอะไรเราก็เป็นลึกสิทธ์ก็ต้องช่วยไปขอยรับใช้ด้วยอุปถากด้วยเรียนศิละปะวิทยา ปีเรียนศิลปะวิทยาคล้ายๆกับว่าเมื่อเรายัางค้่องใจสงสัยจุดไหนที่เรายังไม่งไม่รู้จากครูบาท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ท่านสอนทางคณิตศาสตร์อังกฤษเวทหรือขนาดกระแหงไหนเราก็เข้าไปหาท่านยกมือไหว้แล้วก็อาจารย์เจ้าขาหนูยังไม่เข้าใจในจุดนี้จุดนี้อาจารย์ก็จะได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมให้ฟังอาจารย์ก็ยินดีฮะ เพราะลูกศิษย์มีความตั้งใจมีความเคารพอ่อนน้อมนี่แหละอยากจะให้หลานของหลวงปู่เนี่ยนะหลานหลวงปู่อินทั้งหมดเนี่ยนะอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพราะอนาคตของลูกหลานยังไกลเหลือเกิน เ, เดี๋ยวนี้ยังเป็นเด็กอยู่อย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอย่าไปคบค้าสมาคมคนที่ไม่ดีหมู่เพื่อนที่ไม่ดีมีแต่กล่าว บอกกล่าวเตือนกันนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้ามันเราทาเข้าไปแล้วพ่อแม่เสียใจนะถ้าเราทำไม่ดีขึ้นมาแน่ใครจะเป็นคนเสียใจอันดับแรกเขาไม่ได้คิดมีแต่สนุกสนานแต่พอทำเข้าไปแล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยหมอกหน้าใครไม่ติดใตอี้อายคู่อายคนอีกต่างหากแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกของตนเองเราจะทำยังไงเราก็เสียใจเหมือนกัน เมื่อเราทําไม่ดีเพราะนั้นเสียงไหนก็ตามนะลูกหลานนะลูกหลานหลวงปู่อินนะลหลานของหลวงปู่อินทุกคนนะหลวงปู่เนี่ยรับรับว่เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่นะลูกหลานทุกคนที่มาวัดเนี่ยหรือยังไม่ได้มาก็เถอะนะอยู่ในโรงเรียนรายชิโนนะใ ห, ให้ลูกหลานทั้งหลายถือว่าหลวงปู่เนี่ย เ, เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้หวังดีกับประเทศชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พวกลูกหลานทั้งหลายจะคิดอะไรออกนอกลูก่นอกทางนะจะไปกินเหล้าก็าดีจะไปเที่ยวไปเตะก็ดีนะจะไปทําสิ่งที่มันไม่ดีให้คิดถึงหน้าหลวงปู่อินโอ้หลวงปู่อินสอนว่าให้เราเป็นคนดีนะสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำมาทําแต่สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราของลูกของหลานทุกคนของหลานทุกคน่ จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะถ้าว่าพวกลูกหลานทําดีแล้วความดีไม่ไปไหนออกมาสู่พวกเรานั่นแหละแต่ถ้าว่าพวกลูกหลานนะคิดอะไรไมีแต่คิดชั่วมีแต่โมโหโกหามีแต่พยาบาทอาฆาตมีแต่ชกชิงเพียงเล่ามีแต่จะต่อยจะตีกันมีแต่อิจฉากันอนาคตของลูกหลานนะไม่สดใส น, นะลูกหลานนะอนาคตไม่สดใสถึงจะโกรธให้ใครก็จะต้องกดไว้ก่อนนะ ที่จะโกรธให้พ่อให้แม่ก็ตามนะโกรธให้ครูบาอาจารย์ก็ตามโกรธให้หมูให้เพื่อนก็ตามต้องอดทนนะต้องอดทนหลวงพ่อนีอ่ไม่ใช่ว่านะนะหลวงพ่อเป็นสมมเณ น, นมาอยู่ในออกจากพ่อจากแม่มาตั้งแต่อายุ11บ1ออปีอยังเล็กกว่าลูกหลานได้อีกนะมาอยู่กับครูวายอาจารย์หมูพวกเพื่อนมีความอดทนนะั่นแหละเป็นพื้นฐานนะ ความอดทนนี่ตัวนน้ใช้ได้ประโยชน์ในที่ทุกสถานอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็อดทนแต่ทำการทำงานไม่ลดละทำงานเป็นที่ยอมรับของหมู่พวกเพื่อนของครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์หลวงปู่อินธนี่นะเพราะนั้นอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนๆท่านก็ให้ความรักเมตตานะ ขนาดองหลวงตามหาบัวนะลูกหลานลานทั้งหลายนะหลวงตามหาบวัวโอเข้มงวดกวดขันกับพระดุดาว่ากล่าวขระแต่ท่านดูดุให้พระดีนะไม่ใช่ดุให้เสียหายนะท่านดูให้พระดีท่านแนะนําสั่งสอนเผ็ดร้อนมากแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงตาหนะลวงตามหาบวัวท่านยังมอบพินัยกรรมให้กับหลวงปู่หลวงปู่อินนะ่ย เป็นองค์หนึ่งในสี่องคออ์บอกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วปู่ง่ายๆให้จัดงานศพเราเนอะให้จัดงานศพ เ, เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นอะนี่แหละหลวงปู่อินเนี่ยได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาเพราะอะไรเพราะหลวงปู่เนี่ยไปอยูนะ่สถานที่ใดมีแต่ความอดทนนะออแล้วก็ประกอบคุณงามความดีตลอดนะ ไปอยู่นัตสถานที่ใดครูบาอาจารย์ก็เมตตารักไปอยู่กับใครใครองค์ไหนก็ท่านก็เมตตารักเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่กับเจ้านายใดไปอยู่กับครูบาอาจารย์ใดอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็รักเมตตาเพราะฉะนั้นให้ช่วยการช่วยงานพ่อแม่ แล้วก็เป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดีลูกหลานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเอาวันนี้เอาเท่นนี้ก่อนนะถ้าพูดมากไปเดี๋ยวลูกหลานจะหิวอาหารโดยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสาคนขอให้มาคุ้มครองพวกลันหลานทั้งหลายและครูบาอาจารย์ทั้งหลา ย, ลา จ, างลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ